วิปัสนาความรู้แจ้งกระแสความคิดจะคิดเป็นครั้งคราวเมื่อมันคิดปรุงแต่งขึ้นมาสติตามรู้ไปรู้ไปรู้ไปพอจะเกิดรู้อะไรชัดเจนขึ้นมาจิตจะหยุดนิ่งพับพอไหวตัวพับอ๋อจิตนิ่งมันเป็นอย่างนี้ตอนนี้เรียกว่าวิปัสนาความรู้แจ้ง ตอนที่จิตเดินไปอยู่นี่เป็นเพียงภาคปฏิบัติพอมันจะรู้อะไรดีๆมันจะนิ่งว่างลงนิดหนึ่งพอไหวตัวพับมันจึงจะเกิดความรู้ขึ้นมาว่าอ๋อสิ่งนี้มันเป็นอย่างนี้เป็นวิปัสสนาบางทีพอมันนิ่งแล้วมันจะไปเล่นสมถะเลยไปอยู่นานๆเป็นชั่วโมงเป็นหลายวันพอถอนออกมาจึงจะรู้ว่าอ้อสิ่งนี้มันเป็นอย่างนี้ อย่างบางทีปัญหาที่เกิดขึ้นกับจิตเรอแก้มันไม่ตกบางทีมันอยู่เป็นปีทีนี้พอมันแก้ตกมันจึงจะรู้สึกว่าปัญหานี้มันเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อไหรมันจึงจะทบทวนย้อนหลังดูว่ามันเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อไหร่